เกิดมาบนโลกอยู่บนโลกมันก็ต้องทําหน้าที่ของโลกใบนี้ไปแต่มันก็มีทั้ง2 ส, ส่วนส่วนที่เป็นโลกของสมมุติแล้วก็ส่วนที่เราจะนําพาตัวเองให้ไปสู่วิมุตติวิมุตติก็แปลว่าหลุดพ้นไงหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากโลกนี่แหละ พาให้เราหลุดพ้นจากโลกการโลกรูปโลกรูปโลกราก็ต้องนําพาตัวเราให้ให้มันหลุดพ้นออกจากโลกใบนี้ก็เหมือนอย่างที่เรากำลังทําอยู่นี่แหละก็เป็นการที่เราจะใช้เวลาเพื่อที่จะ นำพาตัวของเราให้พ้นออกไปจากโลกแต่จะเป็นเฉพาะช่วงเวลาตอนนี้ของวันในยามแรกของราตรีอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่ถูกจริงๆมันก็ควรจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองเนือง จะมาทําเฉพาะช่วงเวลายามแรกของราตรีหรือยามสุดท้ายของราตรีที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราก็ออกมาหัดที่จะทําความสงบพิจารณาถอดถอนความเป็นตัวตนออกไปรู้เท่าทันตามความเป็นจริง ได้สองเวลาเป็นก็ดีแต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องให้มันได้ทุกๆเวลานะแต่แน่นอนแหละว่าเราอยู่บนโลกใบนี้มันก็ต้องทำงานของโลกใบนี้ด้วยทำงานตามโลกสมมุติไปด้วยสมมติของเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำสมมติให้ดีสมมติของเราอยู่ในที่ ท, ทำงานเราก็ เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็เป็นให้มันดีมีเพื่อนฝูงหรือเป็นประชากรอยู่บนโลกไปนี้เป็นประชากรของประเทศนี้ก็เป็นประชากรที่ดีมันก็ไม่ได้ดีไปกับใครหรอกดีกับเรานี่แหละเราทําความดี แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับคนอื่นสำหรับที่ที่เราอยู่สำหรับคนอื่นคนรอบข้างรอบตัวเราสังคมของเรามันก็เป็นความดีที่เราได้ทำไว้มันก็เป็นเรื่องดีให้กับทั่วๆไปให้กับสังคมแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่เราได้ทำเรื่องดีมันก็เป็นคุณงามความดีของเรา ทำเรื่องที่ดีเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของการที่เรามีธรรมะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตามีก ร, รุณาให้กับคนอื่นหรือรักษาศีลดยที่เราไม่เบียดบินใครทางกายทางวาจาทางใจ มันได้กับคนอื่นก็จริงแต่ที่มันได้มากที่สุดก็คือได้กับตัวเราเนี่แหละได้กับตัวเองเป็นการที่เราได้ฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตัวเราเองเพราะการที่เราจะทำดีออกไปในภายนอกมันก็ต้องเริ่มที่ใจนี่แหละมะโนบุพังกมาธรรมามโนเสรษฐะมโนมยา ทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นนายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วจากใจเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่ใจเริ่มที่เราเองก่อนแล้วมันก็ไปเผื่อแผ่ไปข้างนอกในการที่เราจะเริ่มทําความดีให้กับตัวเองให้กับข้างนอกเนี่ย มันก็ต้องเริ่มที่มีความรู้เท่าทันจิตใจของเราซสก่อนก็คือมีสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นสติก็จึงเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมสำคัญเป็นคุณธรรมที่มันเป็นหลักใหญ่ของธรรมะทั้งปวงธรรมะทั้งปวงจะเจริญงอกงามได้ ก็จเจริญ ง, งอกงามบนพื้นพื้นสตินี่แหละถ้าเรามีสัมมาสติที่ดีมีสติที่รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ของเราเราก็จ ะ, จะเจริญคุณธรรมต่างๆได้ขึ้นนตรงจุดนี้แหละไม่ว่าจะเป็นความอดทนอดกลัน้นไม่ว่าจะเป็นความ มีเมตตาความกตัญญูกะตะเวทิตาสัจจากธรรมะอย่างนี้ศัจจากรรคือความจริงความซื่อตรงธรรมะคือความข่มใจการฝึกตนทำทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มที่สติสติที่เราจะระลึกรู้ว่าใจของเราเนี่ย มันมีสถานะเป็นยังไงณนะตอนนั้นถึงมันจะดีถึงมันจะไม่ดีพอเรามีสติมันได้กดปุ่มกดปุ่มเริ่มที่เราจะทำความดีได้เพราะฉะนั้นสติก็จึงเป็นเรื่องสำคัญเราต้องฝึกให้ดีคอยมีสติที่มันไม่เลือนหลงคอยมีสติที่มันแจ่มชัดไม่เลือนหลง สำคัญมากเราจะเข้าสมาธิดีมีความตั้งมั่นในอารมณ์ยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าปราศจากสติที่เป็นสัมมาสติอยู่แล้วสมาธิมันก็เป็นมิจฉาสมาธิได้ความสงบใจที่มันเป็นความสงบใจจากโลภโทสะโมหะไม่มีโกรธไม่มีเกลียด มันก็ใช่อยู่แต่อย่าลืมว่าการที่เราทรงอารมณ์ทรงไว้เฉยๆมันก็ยังประกอบไปด้วยโมหะอยู่นะคือความหลงความยึดติดความที่เราอยากจะไปนอนพักนอนแช่นอนเนื่องอยู่ในอารมณนน์นั้นๆนานๆมันก็มีโมหะที่คอยควบคุม คอยบงการให้เราอยู่อยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีสัมมาสติที่มันแจ่มชัดมันก็จึงจะได้กำจัดความหลงด้วยความหลงที่เราจะหลงไปแช่อยู่ในอารมณ์ได้ถอดถอนความรู้ของเราได้ถอดถอนตัวของเราไม่ให้จมนอนเนื่องไปในอารมณ์นั้น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอารมณ์นิ่งๆเฉยๆจากการที่เราเข้าสมาธินั่นก็คือาวังนั่นแหละเพราะฉะนั้นเข้าาวังเนี่ยมันก็ยังประกอบไปด้วยโมหะอยู่นะก็เหมือนที่หลวงตาท่านเทศน์นั่นแหละเข้าสมาธิทรงสมาธิได้อย่างชำน้ชนานาญก็นอนเกาะสมาธิเอาไว้จนหลวงปู่ม่านนี่ต้องมา ลากออกมาแต่ก็ไม่ได้ลากธรรมดาธรรมดานะก็ต้องมีฟาดฟันเหตุผลเขาหน่อยหนึ่งท่านจะนอนตายในสมาธิเหรอเนี่ยสมาธิเนี่ ย, ม, ยมันกิลเลสทั้งแท่งเนี่ยรู้ไหมมันจะนอนตายไปกับสมาธินั่นแหละเอา้าถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันจะเดินมันจะไปยังไง ไม่มีสมาธิแล้วมันจะไปได้ยังไงธรรมะเนี่ยปัญญาเนี่ยสมาธิอันนี้มันก็เป็นสมุทยทั้งแท่งนี่แหละนี่มันก็ลงกันอย่างงี้นี่เพราะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ได้ไปต่อนั่นแหละเรามีความพอใจอยู่แค่นี้ไม่ไปต่อไม่เอาความสงบที่เรามีไม่เอาสติที่เรามี เอาไปพิจารณาต่างๆตามความเป็นจริงไม่เอาไปพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจิตใจให้ใจของเราเนี่ยได้รับรู้สภาพของมันแต่ละอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงของมันอย่างร่างกายอย่างเงี้ยมันสวยมันงามมันน่ายินดีน่ายึด ต, ติดไหม แน่นอนแหละพระพุทธเจ้าก็ดีเหล่าสาวกอรหันที่ผ่านไปแล้วท่านก็เห็นนั่นแหละเห็นซึ้งที่ใจนั่นแหละว่ามันก็ไม่ใช่เป็นของสวยของงามไม่ใช่เป็นของที่ควรค่าแก่การยึดถือติดแล้วก็ชื่นชมยินดี แต่เราลองสำรวจใจของเราดูสิไม่ต้องอะไรมากในระหว่างวันนี่แหละที่เรายังต้องพบปะผู้คนหรือไม่ก็ผ่านตาผ่านเข้าไปในทีวีเห็นอันโน้นเห็นอันนี้ในทีวีละครบ้างโฆษณาบ้างข่าวบ้างพอเราดูไปแล้วเนี่ย มันทำให้เรามีความเห็นผิดเกิดขึ้นบ้างไห้ในจิตใจของเรามีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงไหมเห็นว่ามันเป็นบุคคลเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไหมหรือใจของเรามีสติรู้เท่าทันแล้วเห็นว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสโคร เห็นว่ามันเป็นท่าสี่เราลองสำรวจใจของเราดูถ้าสัดส่วนของใจของเราเนี่ยมันอยู่กับว่ามันเป็นของสวยงามเป็นของน่ารักน่าเอ็นดูน่ายินดีน่ารักใคร่พอใจมีความเพลินทำให้ความเพลินของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอันนี้ก็ ไม่ใช่ว่าเราจะดีแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นผิดจากความเป็นจริงมันมีกําลังมันมีกําลังอยู่ในใจถึงแม้ว่าเราพยายามจะคัดค้านความรู้สึกเหล่านั้นพยายามจะพิจารณาแต่ผลสุดท้ายก็ตัดสินกันที่ใจของเราว่าใจของเราเห็น แบบไหนรู้สึกแบบไหนอยู่ในใจของเราถ้าเราเห็นไปตามสมมุติเห็นไปตามว่ามันเป็นของน่ารักใกล้ยินดีพอใจมันสวยงามแล้วก็ยิ่งทำให้เราเพลินเพลอเพลินไปกับมันนานๆอันนี้ต้องระวัง แต่ถ้ามันยังอยู่ในกระบวนการต่อสู้ยื้อยุดจุดกระชากันอยู่เราก็จะไม่เผลอเพลินไปนานกรหมันที่จะคอยพิจารณาถึงแม้ว่ามันอาจจะรบไม่ชนะคือมันก็ยังพอเห็นเป็นความสวยงามเป็นคนสัตว์บุคคลตัวตนคือเห็นไม่ตามสมมตินั่นแหละสมมติมันยังครอบใจอยู่ สมมติมันยังมีกำลังกับใจอยู่แต่ตอนที่เรามีสัมมาสติเกิดขึ้นมันก็ได้มีการสู้กันมีการสู้รบกันมีการที่เราจะมีใช้ปัญญาที่จะไปพิจารณาคัดค้านต้านทานความเห็นของใจที่มันไหลไปตามสมมุติแน่นอนล่ะสมาธิ ก็เป็นสิ่งจำเป็นถ้าเรามีความสงบใจตุนไว้เป็นทุนเดิมที่ดีเราก็จะพิจารณาแล้วเนี่ยมันมันก็สะดวกสบายแก่ใจสะดวกสบายแก่การพิจารณาของเราการที่สมมุติมันจะมีกำลังมาครอบใจยึดใจของเราไปมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าความสงบใจของเราน้อย ความสงบใจของเราไม่มีมันก็มีแค่สติกับปัญญาที่มันอ่อนกำลังไปสู้กับมันแน่นอนแหละเรากองทัพน้อยนะกำลังน้อยมันจะไปสู้กับกองทัพใหญ่ๆนะมันก็สู้ยากอย่างเก่งก็ได้แค่รักษาเมืองให้มันไม่แตกแต่อย่างน้อยมันก็ยังดี พื้นฐานของเราเนี่ยมันยังไม่เสียไปความมีแก่ใจของเราก็ยังไม่เสียไปไม่เสียไปยังไงก็คือเรายังมีแก่ใจที่เราจะเดินบนทางเส้นนี้คอยเป็นเสาค้ำยันไม่ให้เรามันเองล้มพับลงไปความ มุ่งหน้าความมุ่งมั่นที่จะตะเกียกตะกายทวนกระแสของวัตตะวนอันนี้ตะเกียกตะกายที่จะไปให้มันหลุดพ้นออกจากวัตตะวนอันนี้มันก็มีกำลังมันก็ยังเป็นเครื่องก็เรียกว่าเป็นกำลังหนุนนะทำให้เราไม่เสียหลกักไม่เป๋ไปมากจนเกินไป แต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าความเพลินความยินดีความเพลิดเพลินไปในกามเนี่ยมันมีกำลังมากๆเนี่ยมันก็คอยมาเจาะนั่นแหละเหมือนเรามีตุ่มน้าอยู่มันก็มาเจาะทีละหน่อยแตกเล็กๆแตกหลายๆอันเป็นรอยแตกรอยร้าวหลายๆอันน้ามันก็ไหลออกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะรักษาตัวได้ยากโดยเฉพาะอย่างพวกที่เป็นนักบวช ด, ด้วยแล้วเนี่ยโดนเจาะ บ, บ่อยๆเจาะเรื่อยๆแล้วก็อุดไม่ทันไม่รู้ว่าจะอุดตรงไหนอย่างเงี้ยแน่นอนแหละมันก็ทำให้ความคิดความอ่านอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะโดนดึงไปแหละ โดนดึงไปทางการความเพลิดเพลินทางการ ม, มากมากไม่แคล้วก็ต้องสึกไปอยู่ไม่ได้แต่เราเป็นคราวาสเราก็ก็ต้องพยายามรักษาเหมือนกันยิ่งเป็นคารวาสยิ่งต้องรักษาให้ดีรักษาตัวให้ดีเพราะอะไร เพราะการที่เป็นนักบวชเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหมือนเหมือนล้อมรั้ ล, ล้อมกาแพงเอาไว้ให้แล้วมันก็ถ้าเราอยู่ในนี้มันก็ปลอดภัยแต่การที่เราเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือนรั้วตัวนี้ก็ไม่มี หมายถึงว่าเราก็ต้องสร้างรั้วขึ้นมาเองนะคอยที่จะปกป้องป้องกันรั้วก็จะไม่แน่นหนามากเหมือนกับของนักบวชนักบวชก็หลายอย่างทําไม่ได้หลายอย่างเลยใช่ไหมเราก็รู้ๆกันอยู่แต่รั้วที่ครว่าเนี่ยสร้างได้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่ารักษาตัว ถึงแม้ว่ามันจะไม่แน่นหนาเท่ากับการเป็นนักบวชนีแต่ก็มีรั้วที่ให้รักษาตัวให้ได้ที่เราต้องสร้างให้ได้ทําให้ได้ก็คือศีลของเราศีล5้าจะเรามีศีล5้าเป็นรัว้วศีลของเราบริบูรณ์รั้วของเราก็แข็งแรงพอรั้วของเราแข็งแรงเนี่ยเรื่องวุ่นวายทางจิตใจก็ไม่มาก แต่เรื่องวุ่นวายทางจิตใจของเราไม่มากเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครเหตุของการที่เราไม่ได้เบียดเบียนใครมันก็จะให้เรื่องวุ่นวายมันน้อยแต่มันมีแต่นะแต่ไม่ใช่ว่ากามันจะไม่เล่นงานเรานะกามันก็เล่นเล่นงานเราได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่แค่ในรู้อ น, นี้เนี่ย มันยังไม่ปลอดภัยสักดีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมีข้าศึกอยู่ข้างนอกไงก็เหมือนกับเราพยายามแค่ป้องกันอย่างเดียวศัตรูมันก็มาเรื่อยแหละตราบใดที่มันยังมีศัตรูอยู่เนี่ยเราก็อยู่ในรัว้วก็ยังปลอดภัยใช่ถ้ารั้วเรายังแข็งแรงแต่ถ้าเราเบื่อที่จะสู้เบื่อที่จะสู้รบ ยืดเยอะอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรก็ต้องรักษารั้วให้แข็งแรงนะสะสมกําลังสะสมไพรพลสะสมไพรพลแล้วก็สะสมอาวุธแล้วก็สะสมทักษะการสู้รบสะสมสะบียงสะสมกลยุทธ์แล้วก็บุกไป บุกไปตีเมืองตีเมืองกิเลสบ้างถ้าเราตีเมืองมันแตกแล้วเนี่ยมันก็สบายแหละเราก็ไม่ต้องสู้แล้วใช่ไหมยึดเมืองเขาได้แล้วนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นที่จะมีสติเป็นพื้นนะมีสติคอยเป็นพื้นคอยสารวจใจบ่อย แล้วก็อะไรที่มันจะคอยสังเกตง่ายที่สุดก็คือเราเผลอเพลินไปทางกามมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเผลอเพลินไปทางการ ม, มากๆอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดนั่นแหละว่าแทนที่เราจะเดินหน้าเราก็จะเดินช้าลงดีไม่ดีก็เดินถอยหลัง้ถ้าเราสัง สังเกตให้ดีสํารวจกิจวัตรประจําวันของเราให้ดีมันก็จะช่วยได้เยอะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะแบ่งเวลาช่วงเวลาอาชั่วโมงนี้หกโมงถึงทุ่มหนึง่งเราจะมาทําวัดสวดมนต์เงี้ยแต่พอทํางานค้างอยู่หรือดูละครค้างอยู่ มันก็เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะมาวัดกําลังใจแล้วว่า เ, เราจะเอาอย่างไงเราจะใช้เวลาไปเพลินไปทางการไหมหรือว่าเราจะหักใจเอามาทำความดีมีการทําวัดสวดมนต์ที่เราตั้งใจเอาไว้เป็นต้นซึ่งถ้าเราพยายามหักได้เนี่ยกิจวัตรที่มันจะทําให้เราเพลินไปในกามันก็ น้อยลงใช่หมมันอดทนก่อนอดทนที่จะไม่ทำพออดทนไม่ทำบ่อยๆได้เราก็จะเห็นถึงความว่าเราไม่ต้องไปดูก็ได้ไม่ต้องไปเสพมันก็ได้นี่ใช่มมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรนักหนาพอใจเราเริ่มที่จะจางคลายจากความยินดีพอใจในกามอันนั้นไปได้ เราก็ไม่มีขยะเข้ามาในกิจวัตรของเราเยอะใจเราก็จะมีแต่น้าดีๆเติมเข้ามากิจกรรมน้าดีเติมเข้ามาเรื่อยๆพอเติมมาเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆมีกิจกรรมที่เพลินไปทางกา ร, รกิจกรรมสนับสนุนความให้กิเลสไม่มีอำนาจมันก็จะโดนถอยลงไปถอยลงไป แล้วไงเราก็จะค่อยๆที่จะคิดก็คิดไปในทางติตรึกที่เป็นธรรมะมากขึ้นคิดต ร, ตรึกไปในทางที่เราอยากจะออกจากกามมากขึ้นแน่นอนนะถ้าเรายังเสพแบบเก่าๆอยู่นะมันก็ยังยากอะ่ะเพราะว่าความคิดติตรึกของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อ ความเพลินยินดีในกามพอเราเริ่มไม่ไหวเราก็อยากจะออกแล้วอยากจะสู้มันก็ยืย้ยึดยุ ด, ยดจุดกระชากันไปใช่ปะแต่ถ้าเราค่อยๆพยายามหันกิจกรรมที่มันทำให้เรายินดีเพื่อ เ, เพลินในกามออกไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งของเราที่เราเสพกามน้อย เสียบรูปเสียงกลิ่นของรสสัมผัสที่มันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นยินดีเพลิเพลินไปในกลางทั้งหลายพอมันน้อยไปได้เนี่ยเราก็เรียก ว, ว่าใจเราใจเรามันจะไม่ได้อยากไม่ได้หิวหวยไปในทางกลาง ม, มันพอมันไม่หิวหวยไปทางกลางเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยคล่องตัวในการที่เราจะพิจารณาด้วย คล่องตัวในการที่เราจะทำความสงบด้วยแล้วก็ไม่เสี่ยงใช่ชีวิตเราก็จะไม่ซุ่มเสี่ยงกับการที่จะไปเป็นทาตของมันอีกไม่โดนจับไปขังอยู่ในวังวนของวัฏฏะได้ง่ายๆมันเก่าก็ต้องมีสติบนพื้นฐานเนี้ยมีสติที่ จำชัดไม่เลือนหลงเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นความคิดเห็นอารมณ์ในจิตใจของเราคอยเฝ้าดูสังเกตมาอยู่อย่างนั้นนะเป็นพื้นฐานทำให้ชำนาญไปเรื่อย